คืแม้กระทั่งความตายที่บอกว่าเป็นทุกนี่ท่านเน้นถึงเรื่องทุกข์กายนะเวลาเด็กเกิดมาอันก็ทุกนะเด็กคลอดออกมาเดี๋ยวก็ทุกเดี็กก็ดิน้นหลนร้องไห้ น, นั่นแหละที่อธิบายว่าความเกิดเป็นทุกอันนี้เป็นเรื่องทุกข์กายแต่เมื่อเกิดมาแล้วนะ เรามีสิทธิ์มีความสามารถที่จะไม่ทุกข์ใจได้เมื่อต้องแก่เราก็มีสิทธิ์มีความสามารถที่จะไม่ทุกข์ใจได้เช่นเดียวกับเวลาเจ็บเวลาตายก็เช่นเดียวกันความตายก็เป็นทุกข์เพราะมันเต็มไปด้วยทุกขเวทนาบีดคั้นเนื่องจากร่างกายกําลังแตกดับ แต่ว่าใจไม่ทุก์ก็ได้นะเวลาเราสาธยายหรือว่าศึกษาธรรมในเรื่องทุกนี่ก็ต้องเข้าใจว่าหมายถึงทุกข์แบบไหนเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นทุกทางกายหรือว่ากายยิกกบกระทุกนะถ้ามีความโศกความร่ำระรำพันนะความไม่สบายใจความคับแค้นใจนี่รว่าเป็น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 ห้ามือถึงแสนล้านเซลล์ความตายเกิดขึ้นทุกขณะที่เราพิลมหายใจผู้ใจก็ตัดนะว่ า, าความตายอยู่ในชีวิตความแก่อยู่ในความเป็นหมุ่มสาวโรคภายแค่เจ็บมันอยู่ในความไม่มีโรค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 ทุกมีไว้เห็นเมื่อเราเห็นทุกเข้าใจทุกแจ่มแจ้งก็จะเข้าใจสมุทยัยแล้วก็เห็นเร ว, ว่านิโรดนั้นเป็นไปได้และทําให้เราเกิดความขนขวายในการที่จะทํามักมีองค์8ให้เกิดขึ้นสมุทัยเป็นสิ่งที่ต้องละนิโรดเป็นสิ่งที่ทงต้องทําให้แจ่มแจ้งหรือทําให้ปรากฏหรือเข้าถึงส่วนมักคือสิ่งที่ต้อง ทำให้มากขึ้นหรือภาวนาภาวนาแปลว่าทําให้มากขึ้นงั้นเราหนีทุกข์ไม่พ้นก็จริงไม่ว่าทุกประจําสังขารคือแก่เจ็บตายเราก็ทุกจอนเข้ามาคือความพัดพราดประสบสิ่งไม่ไม่ประสบกับสิ่งที่ไม่รักพัดพลาดกับสิ่งที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นแต่ว่าถ้าหากว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะเราเกี่ยวข้องกับมันเป็น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 คือความหมายว่าเห็นนะไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อแต่เห็นด้วยตาในทีแ้วก็เห็นด้วยสติขวันต่อมาก็เห็นด้วยปัญญาถ้าพูดไปให้ง่ายขึ้นหรือว่าให้ให้เห็นเป็นรู ป, ปรธรรมเมื่อต่ก็ตามที่มีความทุกข์เกิดขึ้นกับเราเนยะ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 เอาของในกุฏิสลวงพ่อท่านก็ว่าดีเนาะทวนถามว่าดียังไงท่านก็บอกว่าไอ้ของทั้งหลายที่เห็นเนี่ยนะท่านต้องรักษามันต้องคอยดูแลมันถ้าจวนมาเอาไปก็ดีเหมือนกันท่านจะได้ไม่ต้องไปดูแลนะคือหมดภาระสักทีจวนบอกว่าไม่ได้เอาไปอย่างเดียวนะไม่ได้เอาของไปอย่างเดียวนะจะฆ่าด้วยท่านก็ว่าดีเนาะดียังไง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 บกว่าปลอดภัยหมดยกเว้นแกคนเดียวนะพิการตั้งแต่ตั้งแต่เอวลงไปตอนที่อยู่โรงพยบาบาล น, นี่เพื่อนเพื่อนก็มาเยี่ยมหลายคนก็ก็เสียใจนะแล้วก็บ่นว่าลำพึงตัดพ่อว่ามันทำความดีทำไมต้องมาเจอแบบนี้นะ ทำความดีต้องมาเจอแบบนี้คือต้องพิกการใจชายคนนี้แกกลับปลอบใจเพื่อนนะพูดกับเพื่อนว่าก็พราะทำความดีมาเสรถึงรอดมาได้ขนาดนี้คือรอดมาได้ครึ่งตัวถ้าไม่ทำความดีอาจจะตายไปเลยก็ได้ น, นี้แกไม่ทุกนะแล้วถือว่าเนี่ย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 รูจากวิธีที่จะอยู่ออกับความปวดนะคือต่างคนต่างอยู่ปวดก็ปวดไปนะเวลาปวดต้องมานี่ก็ไม่โกรธนะบอกมะเร็งกล่อมมะเร็งว่าเออเอเพลาหน่อยนะตอนนี้ก็ได้เวลาพักผ่อนแล้วนะฉันก็จะนอนแล้วนะเจ้าก็นอนด้วยนะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างพักผ่อนไป คือไม่โกรธนะถือว่าจะ ม, มาเร็งจะมาอยู่ก็มาอยู่ได้นะแต่ว่าพยายามรับกลัวให้น้อยที่สุดไม่ไม่โกรธมเม็งแล้วก็ไม่มองว่ า, มาเม็งเป็นศัตรูอันนี้ก็เป็นเรื่องคุณภาพจิตนะซึ่งก็ต้องอาศัยสติด้วยนะแค่เมตตายอย่างเดียวอาจจะไม่พอต้องมีสติเห็นความปวด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 ช่วงที่เรียนมัธยมปฐมปริญญาเอกก็หลายปีงานบางอย่างนี่มันต้องมันต้องใช้เวลานานเพราะเป็นงานยากเป็นงานละเอียดถ้าว่ารู้จักคอยได้นักศึกษาก็จะประสบความสําเร็จได้แต่ถ้าไม่รู้จักรอคอยแล้วนี่ทำได้คือเครืค่งการก็เลิกหรือมิชนะก็ทําแบบลวกๆทําแบบไม่ประณีต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 อาการที่เรามาเจริญกรรมฐานนี่ก็เพื่อเห็นความจริงนะเห็นความจริงว่าไม่มีอะไรที่มันเที่ยงทุกอย่างก็ล้วนแต่แปรผันไม่คงที่ไม่คงตัวไม่คงทนทั้งสิ้นก็คือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือไม่คงที่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 บางคนก็ขอให้ลูกหลานนี่ช่วยพยุงตัวให้นั่งกิงเสาจะนั่งสมาธิรับความตายบางทีเห็นลูกหลานร้องไห้อย่างคุณยาคนึงก็จะตายอยู่แล้วนะลูกหลานร้องไห้แกก็ว่าลูกหลานหรือว่ามึงเคยเห็นคนที่อยู่แล้วไม่ตายมนะั้ยเคยเห็นหัหยคนที่อยู่แล้วไม่ตาย ทุกคนก็ต้องตายทั้งนั้นแล้วมึงจะร้องไห้ไปทําไมนะก็พูดว่าแรงๆเลยให้เห็นความจริงเตือนลูกเตือนหลานให้เห็นความจริงว่าคนเราเกิดมาก็ต้องตายไม่มีใครที่ไม่ตายและจะร้องไห้เสียใจเนเวลายายตายทําไมอันนี้คือความสงบยิ่งเพรา ะ, ะไม่สะทกสะท้านต่อความตายเพราะเห็นความจริงนะ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 เดี๋ยวหลวปุ่บุตรานี่ท่านก็เป็นพระผู้ใหญ่ที่ที่น่าเคารพมากดูเหมือนพระหลวงตาธรรมดาธรรมดานะแต่ว่าท่านมีภูมิปัญญาลึกซึ้งมากท่านมรณาภาพไปแล้วต้องยี่สิบปีมาแล้วมีคราหนึ่งท่านไปรับนิมนต์ฉันเช้าบ้านโยมท่านก็พาพราะไปด้วย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 ทำให้จิตมีคุณภาพดีขึ้นนะจิตที่มีสติคืคอจิตที่มีคุณภาพและสตินี่แล้มันจะพาไปสู่การทำให้ฉลาดในการมองนะพอมีสติปุ๊บนะจิตมันก็ไม่ไปหวันไหวแปรปรวนไม่ถูกอารมณ์ครอบงำก็เปิดช่องให้โยนิโสมนสิการเข้ามาทำงานคือมอง ในแง่บวกได้และสติก็จะพาไปสู่ปัญญาได้สตินี่เป็นตัวเชื่อมนะไปสู่ปัจจัยต่างๆที่พูดมาได้การจุลสติเนี่ยถึงเ ป, เป็นการปฏิบัติธรรมที่สำคัญเลือกเป็นหัวใจกรรมฐานกรรมฐานแบบพูดนี่มีต้อง30มิมีต้องส0ิวิธีนะี่สวิธี การระ ล, ลึกถึงพระพุทธเจ้าระ ล, ลึกถึงพระธรรมระ ล, ลึกถึงพระสงฆ์นี่ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติทั้งหมดเนี่ยมีเยาะกระจิงนะแต่ว่าการสระสติเนี่ยจะเป็นเป็นแกนของเลือกเป็นประธานของการของกรรมฐานทั้งปวงในในพุทธศาสนาคําว่าสติปัทานเนี่ย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 อันนี้ก็เรียกว่าปัญญาเกิดหรือว่าเป็นการพาไปสู่ปัญญาได้เป็นวิปัสสน า, างั้นการการที่พวกเราหมันเจริญสติเนี่ยนะมันจะเป็นการสร้างสร้างปราการนะเพื่อไม่ให้ความทุกข์นี่มาเล่นงานจิตใจเปลี่ยนเมื่อการสร้าง หลังคาที่เพื่อไม่ให้หลังคาที่แน่นหนาะเพื่อไม่ให้ฝนมากระหน่าทำให้เราเปียกหรือจะมากกว่านั้นอาจจะเปรียบได้กับเหมือนกับสิ่งที่มันเคลือบใบบัวไว้นะพอน้าฝนไม่ว่าจะน้าสะอาดน้ำเน่ามาตกกระทบกับใบบัวมันก็ไม่ทำให้ใบบัวเปียกก็มีแต่ไหลลงไปหมด ไม่สามารถทําให้ใบบัวเปียกได้อันนี้ก็ก็คือสติทำหน้าที่การไม่ให้ความทุกข์หรืออารมณ์อกุศลต่างๆเข้ามาครอบงําใจหรือเข้ามาแปลกเปลี่ยนจิตใจจิตใจก็จะสะอาดผ่องใสอยู่เสมอเมื่อเป็นเช่นนี้แม้ความทุกข์ยังมีอยู่เหมือนกับฝนก็ยังมีอยู่เป็นธรรมดาธรรมชาติ